ออกพรรษาและรับกะถินแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็เรียกพระมหาบุญมาพบและพูดเป็นงานเป็นการว่าผมจะออกทุดงเป็นเวลาสองเดือนในฐานะที่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสขอให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ด, ด้วยฝากวัดไว้กับท่านสักสองเดือนคงไม่หนักหนาอะไรใช่ไหม เรื่องหนักนั้นต้องหนักแน่เพราะเป็นวัดใหญ่ส่วนเรื่องหนาคงจะเป็นผมเพราะผมเป็นปุถุชนย่อมต้องหนาด้วยกิเลสไม่ได้เป็นพระอริยะอย่างหลวงพ่อนี่ครับพระมหาบุญกลับพูดไม่เป็นงานเป็นการนี่อย่าพูดเป็นเล่นไปผมซีเรียสนะคราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาปกฤษครับ ผมรู้ว่าหลวงพ่อซีเรียดท่านรู้ได้อย่างไรไม่ยากนีิครับก็เมือ่อใดที่หลวงพ่อใช้คําว่าผมแทนที่จะเป็นชั้นเช่นแต่ก่อนเมื่อนั้นแสดงว่าหลวงพ่อกําลังซีเรียดเอาละเอาละอย่ามัวมาพูดเล่นลิ้นให้เสียเวลาที่ฉันเรียกเธอมาพบก็เพื่อจะบอกกล่าวและฝากฝังเรื่องงาน ไม่ใช่ให้มาพูดเจ้าเจ้าเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้คนหนุ่มกว่าถูกตำหนิหลวงพ่อหายเครียดแล้วดีใจจังเธอรู้ได้อย่างไรถามเหมือนเดิมหากเปลี่ยนจากท่านมาเป็นเธอรู้ได้เพราะหลวงพ่อกลับมาใช้ชั้นเธอณสิครับดีนะที่หลวงพ่อหายเครียด เพราะคนที่เครียดมักแก่เร็วหลวงพ่อเป็นคนแก่เร็วอยู่แล้วถ้าเครียดก็จะยิ่งดูแก่กว่าอายุจริงมากขึ้นไปอีกลามเป็นขี้กลากเหล็กเที่ยวนะก็จะไม่ให้ฉันแก่เร็วได้อย่างไรในเมื่อคนที่แวดล้อมฉันล้วนดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเธอหรือเจ้าเด็กแฝดสองคนนั่น ท่านพูดประชดมหาหนุ่มรู้หากก็ยังอยากเย้าต่อแสดงว่าหลวงพ่อโชคดีถึงได้แวดล้อมด้วยคนดีๆคบคนดีไว้ไม่เสียหายหรอกครับโบราณท่านยังสอนว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอปราชัยเชื่อโบราณเถอะครับท่านมหาคราวนี้ท่านใช้เสียงดังเป็นสองเท่าของเสียงปกติครับผม ลูกวัดขานรับด้วยระดับเสียงที่ใกล้เคียงกับสมภารถ้ายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ลงไปก่อนได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยขึ้นมาท่านพระครูตัดบทงั้นพร้อมก็ได้ครับหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้ก็ว่ามาเลยคราวนี้พูดเป็นงานเป็นการสมภารจึงเอ่ยว่า ช่วงที่ผมไม่อยู่ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่แทนผมในการสอนกรรมฐานให้ญาติโยมส่วนเรื่องกิจนิมนต์หากไม่จำเป็นก็ส่งรูปอื่นไปแทนผมอยากให้ท่านอยู่วัดตลอดเวลาเผื่อญาติโยมก็ทุกข์ร้อนมาขอความช่วยเหลือจะได้ช่วยเขาได้อย่าลืมว่า กิจกรรมของพระสงฆ์ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ญาติโยมเขาทำบุญมาเมื่อฉันคงเขาแล้วก็ต้องทำประโยชน์ให้เขาจะได้ไม่เป็นอาบัติโทษแล้วก็ช่วยดูเจ้าคู่แฝดด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วยังเรียนไม่ถึงไหนตกซ้ำชั้นอยู่นั่นแหละ ไม่รู้ว่าเรียนกันภาษาอะไรหลวงพ่อก็เคยตกซ้าชั้นเหมือนกันไม่ใช่หรือครับผู้อ่อนไวกว่าแยง้งหากท่านพระครูแ้งทําเป็นไม่ได้ยินแล้วหลวงพ่อเรียนอย่างไรครับถึงได้ตกซ้าชั้นพระมหาบุญถามอีกคราวนี้ท่านพระครูเห็นความจำเป็นที่จะต้องตอบจึงตอบว่า ที่ตกเพราะไม่เรียนตังหากถ้าเรียนรับรองว่าไม่ตกและไม่มีการซ้าชั้นอย่างแน่นอนพูดแบบไว้เชิงแล้วทำไมหลวงพ่อถึงไม่เรียนล่ะครับก็ธุระมันเยอะจะมัวมันนั่งเรียนอยู่ได้หรือธุระอะไรบ้างครับถามทำไมผมอยากรู้นะครับคืออยากรู้ว่า หลวงพ่อมีธุระอะไรจึงทำให้ไม่มีเวลาเรียนสมัยผมเป็นเด็กธุระสำคัญที่สุดคือเรียนหนังสือแต่ธุระของฉันไม่เกี่ยวกับเรียนหนังสือไปโรงเรียนพอเป็นพิธีเท่านั้นเสร็จแล้วก็โดดเรียนไปทำธุระหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งอยากรู้ธุระของหลวงพ่อคืออะไรหนอ จ้างเธอก็่ายไม่ถูกเอาละเมื่อญอาติรู้ก็จะบอกแล้วก็อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังนะฉันอายเขาเดี๋ยวญาติโยมจะเอาไปนินทาว่าสมผานวัดป่ามะม่วงประวัติไม่ดีทุระของฉันก็คือไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆที่เก เ, เรด้วยกันโดยมีฉันเป็นหัวโจก แต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าฉันว่าตัวเองเป็นหัวโจกแล้วก็ยังมีหัวโจกของหัวโจกอีกทีหนึ่งเธอรู้จักครูชินไหมละ่ะท่านถามภิกษุอ่อนไหวกว่าครูชินขี้เมานะหรือครับใครไม่รู้จักแกก็แย่เต็มทีโยมแม่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยผมเด็กๆ เ, เวลาร้องไห้โยเย โยมแม่จะขู่ว่าเดี๋ยวให้ครูชินมาหักคอนะผมจะนิ่งทันทีเลยหลวงพ่อรู้จักแกด้วยหรือครับเธอหาว่าฉันแย่งั้นสิผมมิบังอาจว่าหลวงพ่อหรอกครับไม่ว่าแล้วทาไมถามว่าฉันรู้จักครูชินหรือเปล่าถ้าฉันไม่รู้จักฉันก็แย่เต็มทีเหมือนที่เธอว่านาสิ แมหลวงพ่อนี่ละเอียดอ่อนจังผมพูดไปโดยไม่ทันได้คิดต่อไปเห็นจะต้องใช้สติมากขึ้นไม่งั้นก็เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานสอนคนอื่นให้มีสติแต่ตัวเองกลับขาดสติดีแล้วที่คิดได้อย่างนี้สติเป็นองค์ธรรมสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งจำปรารถนาทุกเมื่อ หากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นก็มีโอกาสตกสู่อบายภูมิได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่กำลังจะตายนั้นต้องตั้งสติให้ดีในวัดเรานี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นที่แดงเพลอสตินิดเดียวไปเกิดเป็นลูกสุ น, นัขทันทีเธออยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมละ่ะ ไม่อยากครับถ้าไม่อยากก็ต้องมันเจริญพระกรรมฐานและกำหนดสติอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงของนักบวชไม่ใช่บวชมันนั่งกินนอนกินให้ชาวบ้านเขานินทาเหมือนพวกที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่ถ้าคนเขาจ้องจะนินทาแล้วก็ ต่อให้ปฏิบัติดีแค่ไหนเขาก็นินทาจนได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสไว้ว่านัตถิโลเก อ, อันินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงไหมครับก็จริงอยู่แต่ถ้าใครเขานินทาแล้วเราก็เป็นอย่างที่เขานินทามันก็เข้าตำราขนมผสมน้ำยา แต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองใครจะนินทาว่าร้ายก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะเราดีจริงและมั่นใจในความดีของเราคนที่ทำความชั่วนั้นแม้คนภายนอกจะให้ความนิยมยกย่องเพราะต้องการผลประโยชน์ หรือเพราะกลัวอิทธิพลก็ตามเขาก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจเพราะรู้ว่าตัวเองมิได้ดีจริงตามที่ได้รับการยกย่องในอนาคตจะมีคนดีปลอมๆเกิดขึ้นมากมายในสังคมด้วยว่าผู้คนจะให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิต พวกเขาจะแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุคนดีมีคุณธรรมจะลดน้อยลงคนชั่วจะครองเมืองและนำพาบ้านเมืองไปสู่ความหายนะประเทศไทยจะเป็นหนี้ต่างชาติมากมายมหาศาล ใช้กันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ยังไม่หมดประชาชนจะเดือดร้อนไปทั่วทุกย่อมย่าแม้สมณะทีพราหมณ์ส่วนมากก็จะกลายเป็นผู้หลอกลวงโลกหวังเอาลาบทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาคนที่หลบเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาปฏิบัติธรรม จเจริญพระกรรมฐานเท่านั้นจึงจะอยู่อย่างสงบและร่มเย็นโอ้โหนี่เป็นคำทำนายของหลวงพ่อใช่ไหมครับฉันไม่ใช่หมอดูแล้วก็ไม่ได้ทำนายเพียงแต่มองเห็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ฉันพูดมาแต่ถึงฉันจะพูดหรือไม่พูด มันก็ต้องเกิดต้องเป็นไปตามนี้เพราะเป็นธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมที่คนในสังคมร่วมกันทำไว้แล้วเยาวชนจะเป็นอย่างไรครับลุงพ่อผมเป็นห่วงเยาวชนเพราะพวกเขาเป็นอนาคตของชาติเยาวชนก็จะกลายเป็นเหยื่อทั้งน่าสงสาร และน่าเป็นห่วงอย่างที่เธอว่าเพราะพวกเขาจะกลายเป็นทาสของยาเสพติดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนบางพวกทำให้เมืองไทยกลายเป็นแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลกยาเสพติดจะระบาดเข้าไปในสังคมของเด็กวัยรุ่นแม้ในวัดและโรงเรียนก็มียาเสพติดขาย มีเยาวชนติดยากันทั่วทั้งประเทศอ น, นาคตของชาติจะเป็นอย่างไรเธอคิดเอาเองก็แล้วกันโอ้ยฟังแล้วหดหูใจเหลือเกินไม่มีทางแก้ไขเลยหรือครับหลวงพ่อภิกษุหนุ่มเกิดอาการละห้อยละเหี่ยเพลียใจทางแก้นมี ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้แต่เขาไม่ยอมแก้เพราะความโง่เขลาและความเห็นแก่ตัวพวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศชาติก็เลยไม่คิดที่จะแก้ไขแล้วเยาวชนที่ไม่ติดยาจะมีหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับก็พอมีอยู่บ้างแต่ถึงไม่ติด พวกเขาก็จะไปติดอย่างอื่นอย่างอื่นคืออะไรครับเช่นอะไรบ้างพระหนุ่มใค ร, ร่รู้ก็ไปยึดติดกับค่านิยมผิดๆเพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเช่นมีค่านิยมว่าวัยรุ่นจะต้องกินอาหารอย่างเดียวกัน ดื่มน้ำชนิดเดียวกันทั่วโลกพวกนายทุนต่างชาติยิ้มเลยและเขาก็ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมาขายมีสาขาทั่วโลกเพื่อจะเอาใจวัยรุ่นเราก็เลยเสียดุลการค้าไปตามระเบียบฟังหลวงพ่อแล้วผมอยากจะช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองจังเธอจะแก้อย่างไร ผมก็จะศึกออกไปสมัครผู้แทนพอได้ผู้แทนก็จะลงสมัครเป็นนายกพอเป็นนายกผมก็จะแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาพระมหาบุญเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโอ้โหฉันจะได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชลวรืนี่ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มครับผม นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดเที่ยวนะครับแต่ฉันเสียใจที่รับข้อเสนอของเธอไม่ได้ทำไมล่ะครับก็เพราะเธอไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกนสิอย่าสึกออกไปเลยไม่มีใครเขาเลือกเธอเป็นผู้แทนหรอกเพราะต่อไปการเลือกตั้งจะต้องซื้อเสียงกัน ใครไม่ซื้อก็ไม่ได้รับเลือกคนดีคนสุดจริตก็เลยไม่มีโอกาสได้มาบริหารประเทศปล่อยให้ชาติบ้านเมืองตกอยู่ในมือของคนชั่วในอนาคตพวกนักการเมืองจะมีอำนาจมีอิทธิพลมากและจะบีบบังคับพวกข้าราชการ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของตนในทางไม่สุจริตพวกข้าราชการก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายดีเขาก็จะไม่ยอมเป็นทาสของนักการเมืองเพราะเห็นว่าข้าราชการที่ดีต้องซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง มิใช่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ของนักการเมืองส่วนข้าราชการอีกฝ่ายที่ต้องการขั้นและตำแหน่งก็จะยอมมอบกายถวายตัวเป็นทาสนักการเมืองให้ความร่วมมือในการทำลายชาติทำลายเยาวชนโดยไม่คิดถึงความหายณะที่จะเกิดในอนาคตนี่ อย่าทำหน้าละห้อยอย่างนั้นดูสิหมดสง่าราศีไม่สมกับเป็นมหาปรีญญเลยมันหดหูใจนี่ครับหลวงพ่อผมไม่อยากให้ชาติไทยที่ผมรักยิ่งกว่าชีวิตต้องมามีอันเป็นไปหลวงพ่อจะไม่ช่วยชาติเลยหรือครับก็เ <flipped. S 1> พราะช่วยนซสท่านถึงต้องออกทูต ด, ดง เพื่อหาวิชาความรู้ใสยตัวจะได้นำมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองในภายภาคหน้าท่านบอกวัตถุประสงค์หลักของการทุดงในครั้งนี้ผมยังมองไม่เห็นทางว่าการทุดงของหลวงพอ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรกรุณาอธิบายขยายความให้ผมเข้าใจหน่อยเถิดครับเธอเป็นมหาได้อย่างไรกัน เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจท่านถือโอกาสตำหนิคงจะเข้าตำรายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเสื้อกระมังครับเรียกว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานมากกว่าคนอย่างเธอเขาไม่เรียกว่างโง่หรอกแค่ฉลาดน้อยไปหน่อยเท่านั้น ฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่งมากนะสิครับนี่หลวงพ่อแน่ใจนะว่าไม่ได้ด่าผมแต่เอาเถอะหลวงพ่อจะด่าก็ไม่เป็นไรผมยกให้หลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นคนอื่นดา่าผมไม่ยอมเด็ดขาดคราวนี้หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรื อ, อยังว่าการออกทุดงของหลวงพ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรช่วยได้มากเทียวละ่ะเพราะฉันจะได้ใช้วิชาความรู้ และประสบการณ์มาสอนประชาชนถึงคราวที่บ้านเมืองตกต่ำคนก็จะหันหน้าเข้าหาพระฉะนั้นพระก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นที่พึ่งของเขาให้สมกับที่เขาปฏิญาณว่าสังขังสรนังคัจฉามิถ้าพระเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้ แล้วพวกเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครฉันยังเรียนไม่จบหรอกนะการเรียนทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันในทางโลกพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาก็เรียกว่านิสิตหรือนักศึกษาพอจบปริญญาตรีเขาก็เรียกว่าบัณฑิตแต่ในทางธรรม ต้องบรรลุโสดาบันเสียก่อนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาเป็นพระอนาคามีก็ยังเป็นนักศึกษาต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นบัณฑิตคือจบการศึกษาและต้องเรียนกันข้ามภพข้ามชาติกว่าจะได้เป็นบัณฑิตแล้วตอนนี้ หลวงพ่อเป็นบัณฑิตทางธรรมหรืออย่างครับท่านพระครูตอบเลี้ยงไปว่าฉันต้องการไปศึกษาหาความรู้ตอนฉันอายุ25ปีฉันพบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นฉันขอเรียนวิชากับท่านแต่ท่านบอกว่าให้ฉันอายุ45ปีค่อยพบกัน นี่ฉันก็อายุ45บมาสองเดือนเศษแล้วถึงเวลาที่จะไปพบท่านจึงเรียกเธอมารับมอบงานหลวงพ่อจะไปวันนี้เลยหรือครับยังหรอกอีกเจ็ดวันถึงจะไปแล้วทำไมรีบมอบงานให้ผมล่ะครับเพราะฉันต้องใช้เวลาเตรียมตัวเจ็ดวันนะสิ หลวงพ่อในป่าท่านสั่งมาว่าก่อนไปพบท่านให้ฉันเข้าผลสมาบัติเจ็ดวันฉันถึงต้องเรียกเธอมาวันนี้ไงละ่ะพรุ่งนี้ตีสี่ฉันจะเข้าผลสมาบัติในโบสถ์เธอก็ทำหน้าที่แทนฉันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พระหนุ่มรับคําแข็งขันดีแล้วฉ่านจะได้สบายใจเธอรู้ไหมว่าหลวงพ่อในป่าท่านให้การบ้านฉันมาทำและบัดนี้ฉันก็ทำเสร็จแล้วการออกธุดงครั้งนี้ฉันจะเอาการบ้านไปส่งท่านการบ้านอะไรครับผมขอดูได้หรือเปล่าดูไม่ได้ เพราะการบ้านของฉันไม่ได้ทำโดยใช้กระดาษดินสอแต่ทำด้วยจิตจึงให้ดูไม่ได้แต่ก็พอจะบอกเล่ากันได้บอกแค่โจทย์นะส่วนคำตอบถึงฉันจะแน่ใจว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ยังไม่บอกเพราะต้องรอให้ครูตรวจก่อน งั้นผมขอทราบโจทย์ก็ยังดีหลวงพ่อในป่าท่านให้โจทย์ว่าอย่างไรครับท่านให้มาสองข้อข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ข้อที่สองอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทําถูก ถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณนะอยู่หัวสามตัวอย่าละณนะอยู่ที่ไหนตามไปเอามาให้ได้เธอลองทำดูสิคำตอบจะเหมือนกับของฉันหรือไม่ ผมไม่มีความสามารถหรอกครับแค่ฟังโจทย์ก็รู้สึกหน้ามืดตาลายแล้วนิมนต์หลวงพ่อทำไปองค์เดียวเธอครับแต่เธอก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะโจทย์สองข้อนี้เป็นกุญแจที่สำคัญที่จะไขไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองเราต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยรับรอง าไทยไปไม่รอดแน่